ก็ให้ค่ากันไปแล้วก็เป็นสมมติปัญญัติไม่ใช่ปรมาจิตจะความทุกข์ความสุขต้องปวงที่เราหากันที่เรากลัวกันมันก็ไม่จริงสักตีความทุกข์ก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกความสุขก็สุขแล้วสุขอีกหิวความสุขกลัวความทุกข์ก็หนีไปพ้นเราจึงมาลู้ซื่อซะมันก็แสดงให้เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ในภาวะเช่นนี้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 ทำไมไม่ให้เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมากับตัวเองมันจะไม่เร่นช้ามันไม่มีอะไรที่ถามไม่มีอะไรที่จะหาไม่มีอะไรที่ตอบความพูดก็ไม่มีมันก็รู้ซื่อแล้วอาวะชื่อแล้วเพราะนั้นจงมาฟังเรื่องนี่กันมาทําแล่องนี้กันอย่าให้ที่นี่ไปทำมาเดิ น, นหลงตาไปสี่วันไม่ได้อยู่นี่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 สวยโองามเอายี่ห้ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อไปซะไม่ชื่อซสือเป็นเย่า น, นั้นในโลกนี้